จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจที่เป็นเหมือนกับร่างกายที่จําเป็นจะต้องมีที่พึ่งที่อาศัยเช่นร่างกายก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้าร่างกายปราศจากปัจจัยสี่ร่างกายก็จะทุกข์ยากลําบาก และอาจจะถึงกับความตายได้ฉันใดใจก็เป็นเหมือนร่างกายใจก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคแต่อาหารของใจนี้ไม่เหมือนกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายก็คือกับข้าวกับปลาอาหารต่ตางๆ อาหารของใจนี้คือการทําทานเวลาทําทานให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจของเราทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบอย่างที่ญาติโยมได้มากระทํากันในวันนี้ญาติโยมกําลังให้อาหารแก่จิตใจด้วยการทําทาน ทำแล้วจิตใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่อยากได้อะไรต่างๆถ้าไม่ได้ทำทานนี้ใจจะหิวจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังอยากดืมอยากรับประทานแต่การกระทำตามความอยากเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมา ใจจะเกิดความอิ่มเกิดความพอต้องเกิดจากการให้แบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นเช่นถ้าเราเห็นคนขอทานเขาไม่มีอาหารเราซื้ออาหารแล้วให้เขาไปรับประทานถึงแม้เราจะไม่ได้รับประทานอาหารแต่ใจกับเราของเรากับจะมีความอิ่มมากกว่าการได้รับประทานอาหารเสียอีก ถ้าเราอาหารจานที่เราจะไปให้ขอทานนั้นมารับประทานเองเราก็จะได้ความอิ่มทางร่างกายแต่ใจของเราก็ยังหิวโซซัดโซเซอยู่เหมือนเดิมยังอยากกินนู่นกินนี่เพิ่มมากขึ้นไปนี่คือเรื่องของใจอาหารของใจไม่เหมือนกับอาหารของร่างกายเวลาใจมีความหิว อย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นมาให้ความสุขกับใจเพราะมันจะไม่ได้ให้ความอิ่มเอิบใจซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อขึ้นไปอีกซื้อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแต่ถ้าเอาเงินที่จะซื้อของไม่จำเป็นต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามาทําทาน เอามาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขความอิ่มเอิบใจความพอใจปรากฏขึ้นมาจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่หิวโหวยกับบุคคลต่างๆไม่หิวโหวยกับสิ่งเงินสิ่งนี้ไม่หิวโหวยกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะใจมีความอิ่มจากการทาทานนี้เอง นี่คืออาหารของใจที่พึ่งอันที่หนึ่งที่พึ่งอันที่สองของใจก็คือเครื่องนุ่งหม่มร่างกายต้องมีเครื่องนุ่งหม่มไว้ปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้อากาศหนาวเย็นมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้แมลงสัตว์กัดต่อยมากัดมาทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจิตใจก็ต้องมี เสื้อผ้าอาภรณ์เหมือนก่อนไว้คุ้มครองรักษาสิ่งที่จะคุ้มครองรักษาใจไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นกับใจก็คือการรักษาศีลการไม่ทำบาปเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาถ้าไม่มีการกระทำบาปแล้ว ใจจะปลอดภัยจากโทษต่างๆที่จะตามมาถ้าทำบาปแล้วใจจะเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาสแสดงว่าใจถูกภัยมาทำลายแล้วทำลายด้วยการกระทำบาสนี้เองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้มีภัยอันตรายต่างๆมากระทบกระเทือนกับจิตใจของเรา เราต้องรักษาศีลคือเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดและเสพสรารยาเมาถ้าเราทำได้เราใจของเราก็จะมีเสื้อผ้าอภรรไว้คุมของรักษาและทำให้ใจของเรานี่สวยงามความสวยงามของใจก็เหมือนกับความสวยงามของทางร่างกาย ทางร่างกายก็ต้องมีเสื้อผ้าอาภรรท์ที่สวยงามเมื่สวมใส่เวลาเราออกนอกบ้านนี้เราจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่เราใส่ในบ้านเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่ในบ้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าแบบใส่แบบสบายสบายไม่ต้องสวยงาม <pir ms> แต่เวลาเราออกนอกบ้านนี้เราอยากจะให้คนเขาเห็นว่าเราสวยเรางาม เราก็จะต้องสรรหาเสื้อผ้าที่มีสีสันมีรูปร่างใส่แล้วทำให้เราสวยงามขึ้นมาฉันใดความสวยงามของใจก็อยู่ที่ศีลธรรมนี่เองถ้าเรามีศีลธรรมเราจะเป็นคนที่น่ารักจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครอยากไม่คบค้าสมาคมกับเรา จะมีแต่คนรักคนชอบอยากจะให้คบค้าสมาคมกับเขาไปนานๆนเวลาจากไปเขาก็จะเสียดายไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมนี้อยู่กับใครก็รังก็ถูกเขารังเกียจไม่มีใครอยากจะให้อยู่ด้วยเวลาไปสมัครงานถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนชอบโกงเราเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราเป็นคนโกโหกหลอกลวงคนประพฤติผิดประเวณีคนดื่มสุรายาเมาเขาก็จะไม่อยากจะจ้างเรามาเป็นพนักงานของบริษัทของเขาเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะมาทำเหตุร้ายให้กับบริษัทของเขานี่แหละความสวยงามของมนุษย์เราที่แท้จริงสวยงามด้วยศียลธรรมสวยงามด้วยการไม่ทำบาป ความสวยงามทางร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความสวยงามทางจิตใจแล้วสู้ความสวยงามทางจิตใจไม่ได้ต่อให้เสริมความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาพรราคาแพงๆเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางราคาแพงๆเสริมความงามด้วยการทำเเผาทำผมราคาแพงๆ สู้ความสวยงามทางจิตใจไม่ได้คนสวยงามทางจิตใจแม้ทางร่างกายจะไม่สวยงามแต่จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าคบหาสมาคมแต่คนที่สวยงามทางร่างกายแต่ไม่สวยงามทางจิตใจจะจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยหลังจากที่เขาเห็น ความไม่สวยงามทางจิตใจขึ้นมาตอนต้นเขาอาจจะลหลงไหลคลั่งคลายกับเราเพราะเห็นเรามีรูปงามมีเสื้อผ้าสวยงามไว้สวมใส่เขาก็อยากจะได้เรามาเป็นคู่ครองแต่พอเขาได้มาละได้เรามาเป็นคู่ครองแล้วมาพบกับความไม่สวยงามทางจิตใจเขาก็จะเบื่อและเขาจะไม่อยากจะอยู่กับเรา ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเผลอขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดเขาโกรธเปลี่ยนเราขึ้นมาเขาก็จะฆ่าเราได้เราไม่อยากจะอยู่กับคนที่ชอบลักทรัพย์เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาลักทรัพย์ของเราไปเมื่อไหร่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่ประพฤติผิดประเวณีเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะประพฤติผิดประเวณีเมื่อไหร่ เขาจะไปมีแฟนไปแอบมีแฟนมีกิ๊กที่ไหนหรือเปล่าต่อหน้าเขาก็ทาเป็นคนซื่อสัตย์แต่รอบหลังเราเขาอาจจะไปมีแฟนไว้ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคำพูดของเรานี้เขาพูดจริงหรือพูดเท็จแล้วเวลาเขาดื่มสุรายาเมาพอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเขาก็อาจจะอารวาสทุบตีทำร้าย เข้าของเงินทองทรัพย์สินและร่างกายของเราก็ได้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่สวยงามคนที่ทำบาปคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดและเสพสุรายาเมาคนที่ไม่มีศีลก็จะเป็นคนที่ไม่มีเสื้อผ้าอภรร์ที่สวยงามไม่สวมใส่ไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนรังเกียจ มีที่เดียวที่ไม่มีคนานกงเกียิก็คือที่คุกที่ตารางมีคนก็อยากจะเชิญให้ไปอยู่กันคนที่ทำบาปนี้มักจะต้องไปอยู่ในคุกในตารางกันเพราะจะไม่สามารถอยู่กับคนที่อยู่นอกคุกนอกตารางได้เพราะถ้าปล่อยให้อยู่นอกคุกนอกตารางก็จะไปสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสวยงามมีคนรักคนชอบขอให้เรารักษาศีลห้าการให้ได้อ น, นิสงของศีลห้านอกจากการที่จะทำให้เรามีเพื่อนมีคนที่รักที่ชอบเราแล้วเวลาเราตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่รักษาศีลห้าได้นี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกเพราะศีลห้านี้เป็นเหมือนกำแพงที่จะกั้นใจของเราไม่ให้ตกเข้าไปในอบายดัยงนั้นขอให้เราสวยงามทางใจในปัจจุบันด้วยการรักษาศีลและในอนาคตเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับของบุญที่เราจะทำถ้าเราทำบุญมากเราก็จะไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงจนถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้านี่คืออดิสงจากการมีความสวยงามทางจิตใจ ด้วยการรักษาศีลด้วยการไม่ทำบาปแล้วใจก็จะมีความสุขไปที่ไหนไปเจอใครอยู่ที่ไหน<ม>ก็จะมีคนต้อนรับมีคนยินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นอย่าไปเสริมความงามทางร่างกายให้มันมากจนลืมการเสริมความงามทางจิตใจถ้าไม่มีเงินทองที่จะเสริม ความงามทางร่างกายก็ไม่ต้องไปกังวลมาเสริมความงามทางจิตใจรับรองได้ว่าถึงแม้ว่าจะฉยใส่เสื้อผ้าขาดไม่มีไม่มีเครื่องสำอางไว้แต่งหน้าทาปากไม่มีร้านไม่มีเงินไปทําเผ้วทาผมแต่ถ้าเป็นคนมีศีลมีธรรมรับรองได้ว่าจะมีคนรักมีคนชอบในทางตรงกันข้าม ถ้ามีเสื้อผ้ า, าพรมีเครื่องสัมามีการทำผมแบบสวยงามแต่ถ้าไม่สวยงามทางใจไม่รักษาศีลก็จะไม่มีใครชอบถ้าชอบก็ชอบเพราะไม่รู้เพราะเห็นร่างกายแต่พอ ร, รู้พอได้อยู่ได้รู้จักได้คบค้าสมาคมด้วยเพราะเห็นว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาก็จะถอยออกห่างทันที ดั่นั้นขอให้เราเสริมความงามหาเสื้อผ้าอภารรยให้กับจิตใจด้วยการไม่ทําบาปด้วยการรักษาศีลหา้าข้อหน่อมาปัจจัยที่เป็นที่พึ่งของใจข้อต่อมาก็คือที่อยู่อาศัยร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยจิตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยเราต้องร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อหลบจากแดดจากฝนจากพายุ จากภัยอันตรายต่างๆจากโจรผู้ร้ายโจกิจากสิงสาราสัตว์ต่างๆถ้าเราไม่มีบ้านอยู่เราก็อาจจะถูกภัยต่างๆมาคุกคามได้เราจึงต้องสร้างบ้านกันต้องซื้อบ้านกันต้องเช่าบ้านกันเพราะเราไม่อยากจะนอนข้างถนนนอนใต้สะพานกันเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนั่นเอง สันใดใจของเราก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกันมีที่อยู่อาศัยเหมือนกันที่อยู่อาศัยของใจเราคืออะไรก็คือสมาธิความสงบของใจนี่เองถ้าใจเข้าไปในสมาธิได้ใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกใจแต่ถ้าเรามีความทุกความเดือดร้อนใจ แล้วเราไม่รู้จักวิธีเข้าไปในบ้านของเราเข้าไปในสมาธิใจของเราก็จะต้องทุกกับเหตุการณ์ต่างๆคนเราที่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจกันก็เพราะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่นั่นเองไม่มีที่หลบแดดเวลาแดดขึ้นออกก็ไม่มีที่หลบแดดร้อนขนาดไหนก็ต้องทนอยู่กับแดด ฝนตกก็ต้องทนอยู่กับฝนพายุมาก็ต้องพะทนอยู่กับพายุมีการเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ต้องทนอยู่เพราะไม่มีที่หลบไม่มีบ้านเข้าไปหลบฉันใดเวลาใจเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นความวุ่นวายใจความเสียใจความวิตกกังวลต่างๆใจก็จะไม่มีที่หลบถ้าไม่รู้จักเข้าไปในสมาธิ เราจึงต้องมาฝึกทำสมาธิกันการฝึกทำสมาธิก็เป็นเหมือนกับการสร้างบ้านให้กับใจวิธีที่จะสร้างบ้านให้กับใจก็คือใช้สติเป็นเครื่องมือใช้สตินี้ค อ, อยควบคุมใจของเราไม่ให้ไหลไปตามความคิดต่างๆเพราะความคิดต่างๆจะพาให้เราไปรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆก็จะทำให้ใจเราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเวลาเราเกิดความวุ่นวายใจถ้าเราใช้สติหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบจะนิ่งจะเย็นจะสบายแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากบุคคลหรือสัตว์ต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามีบ้านไว้หลบภัยเหล่านี้เวลาเกิดภัยเหล่านี้ขึ้นมาจะไม่มากระทบกระเทือนกับใจเราใจเราจะนิ่งจะสงบไม่เดือดร้อนกับความวุ่นวายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศ เรื่องของสตัตว์ของบุคคลหรือเรื่องของร่างกายจะไม่เข้ามากระทบกับจิตใจได้ถ้าเรามีสมาธิถ้าเราหลบเข้าไปในสมาธิได้ดังนั้นเราต้องฝึกนั่งสมาธิกันฝึกเจริญสติก่อนเพราะถ้าจะทำใจให้สงบได้จะต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าไปข้างในถ้าไม่มีสติใจจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ สติก็คือการระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นระลึกรู้อยู่ในคําบริกรรมพุทโธพุทโธขอให้เราฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจเวลาที่เราไม่ต้องทํางานทําการไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆเวลาต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเราก็หยู่พุทโธไว้แต่ถ้า เวลาที่เราไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นเจ้ที่จะต้องคิดก็อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเป่พราะคิดแล้วก็จะสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจเวลาเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลต่างๆให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลง แล้วความกังวลความหวาดกลัวความวิตกต่างๆก็จะหายไปใจได้เข้าสู่ความสงบ น, น, นี่คือบ้านของใจจะเข้าไปในบ้านได้ต้องมีสติต้องหัดฝึกสติไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังจะไปทำอะไรจะไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้า แต่งฟันหนังเนื้อแต่งเปลวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้นี่คือวิธีหลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยของใจและปัจจัยที่พึ่งอันที่สี่ที่จำเป็นของใจก็เหมือนกับของร่างกาย ร่างกายก็ต้องเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปหาหมอหายาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปถ้าไม่มีหมอไม่มียาไม่มีโรงพยาบาลเราก็จะไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บฉันใดใจก็ต้องมียาไว้รักษาเวลาเกิดโรคของใจขึ้นมา โลกของใจก็คือความเครียดความทุกข์ต่างๆนี่เองถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปในสมาธิได้เช่นเวลาเราต้องทำงานทาการต้องไปนั่นมานี่ไม่สามารถที่จะดึงใจเข้าไปในสมาธิได้เราก็ต้องใช้ยามารักษายาของใจเรียกว่าปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือการมองเห็นความจริง ตอนนี้พวกเรามองไม่เห็นความจริงกันความจริงที่เราเห็นไม่ใช่เป็นความจริงความจริงที่เรามองไม่เห็นคืออะไรหนึ่งความไม่เที่ยงเรามักจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสองเรามักจะมองไม่เห็นความทุกข์กันเรามักจะมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันและเรามักจะมองของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรากัน นี่คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เรามีอยู่นี้เป็นของไม่เที่ยมทั้งนั้นเป็นของที่จะให้ความทุกข์กับเราไม่ใช่จะไปให้ความสุขกับเราและไม่ใช่เป็นของของเราสักวันหนึ่งของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราจะต้องจากเขาไป และขณะที่เรามีอยู่กับเขาเขาก็ไม่แน่นอนบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงลงถ้าเราให้อยากให้เขาดีเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเขาไม่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหัดเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีการเกิดและมีการดับได้อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเราบ้างเป็นธรรมดาเวลาเขาดีก็จะให้ความสุขกับเราเวลาเขาไม่ดีก็จะต้องให้ความทุกข์กับเรา แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาเขาเปลี่ยนไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเราจะรับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาได้และเวลาที่เขาจะจากเราไปเราก็จะรับกับการพาดภาคจากกรรได้เพราะเรารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันหนึ่งไม่ว่าเขาหรือเราก็จะต้องจากกันไปอย่างแน่นอนนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรา ใช้กันให้คิดกันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเพราะจะเป็นยารักษาความทุกข์รักษาความเครียดได้เวลาเครียดกับเรื่องอะไรพิจารณาไปว่าเป็นเรื่องไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีอยู่มีไปถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงอย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาให้ความสุขกับเราถ้าเขา ไม่อยู่เราจะห้ามเขาไม่ได้ปล่อยเขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าอยากจะให้เขาอยู่แล้วเราจะทุกข์นี่คือความเครียดต่างๆเกิดจากความหลงของของพวกเราเองหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับสามเรื่องเนี้ย ไปคิดว่าของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปคิดว่าของที่ทุกข์ว่าเป็นสุขไปคิดว่าของที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเขาไม่เป็นของเราขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้พอเขาไม่ให้ความสุขกับเราก็ร้องห่มร้องไห้เวลาเขาเปลี่ยนไปก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเรา เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆแล้วเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่ทุกข์เวลาเขาจะให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาดับไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือยาที่เราควรที่จะพกติดใจไว้ตลอดเวลาเหมือนกับยาหมองเหมือนกับยาแก้ไข้แก้ปวดที่เรามาจะมั ก, มกจะพกติดตัวไปกับเราเสมอพอเวลาเกิด อาการเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเกิดแผลอะไรขึ้นมาก็จะใช้ได้ทันท่วงทีรับรองได้ว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปนี่คือปัจจัยสี่ของของใจที่เป็นเหมือนกับร่างกายร่างกายต้องการอาหารใจก็ต้องการทำทานร่างกายต้องการเสื้อผ้าอภารใจก็ต้องการศีล ร่างกายต้องการบ้านอยู่อาศัยใจก็ต้องการสมาธิร่างกายต้องการยารักษาโรคใจก็ต้องการปัญญาดังนั้นขอให้เรามาทำทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิและมาสร้างปัญญากันเถิดแล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะอยู่อย่างน้่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเลย เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาลหันตัสสาวกทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านม mm hmm. ีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนากสุขภลระโดยทั่วหน้าการเธอ